พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าปาฏิหารไม้จันแดง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้เป็นวันอาทิตย์อากาศในช่วงนี้ว่าในปีนี้รู้สึกว่าวันนี้จะเย็นลงกว่าทุกวันประเดิมปลายปลายเดือนพฤศจิกา อากาศเริ่มเย็นลงเมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ให้กับคณะจัทธาาญาติโยมโลูกหลานได้ยินการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกกับธรรมธรรมกับโลกโลก ก็สงเคราะห์ทำทำกระสงเคราะห์โลกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนกับไม้คนโบราณเขาบอกว่าไม้ค้ำกล้วยกล้วยค้ำไม้ถ้าต้นกล้วยไม่มีไม้คำ้ำต้นกล้วยก็ล้มแต่มีแต่ไม้ขึ้นไปไม่มีต้นกล้วยให้คำ้ำไม้ก็อยู่ไม่ได้พึ่งเพิงอิงอาศัยกัน ถ้าเป็นมนุษย์ชาติถ้าขาดศาสนาก็อย่างที่องค์หลวงตาได้พูดว่าศาสนาทำให้พุทธศาสนาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทําให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อันนี้ให้พวกเราก็ได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาท่าน จัดไว้คนในยุคสมัยนั้นก็คงไม่แพ้ในยุคสมัยพวกเราเหมือนกันบางทีก็เหอในอิทธิททททปฏิหารบางครั้งก็เห่ออเศิศฐานแต่อนุษาสนีปฏิหารอันนี้เป็นคือเป็นพื้นฐาน แต่ในปฏิหารในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาทั้งสมประเด็นหลักอิทธิ ป, ปฏิหารคือแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แสดงมากหลากหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านห้ามปรามภิกษุในครั้งพุทธกาลห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์ถ้าองค์ไหนแสดงฤทธิ์ปรับอบัตทุกกฎนะ สมัยนั้นคือคนสมัยนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะพระนี่มีฤทธิ์มีเดชจริงหรือเปล่าว ะ, เ, ะเศรษฐีคนหนึ่งก็เลยเอาไม้ไผ่ต่อขึ้นไปถึงหกสิบสองนะแล้วก็ทำให้มันเลี่ยนกลมไม่ให้มีตามีอะไร จากนั้นเอาน้ำมันทาอีกแล้วก็ฝังดินแล้วก็เอาบาดไม้จันทไว้ข้างบนไม้จัน์แดงของมีของมีราคาในยุคสมัยนั้นคือไม้จันแดงอันนี้ก็คือมันไหลมาจากป่าหิมพานมาจากที่สูงนะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เป็นปุ่มเป็นปุ่มเหมือนปุ่มไม้มะข่าเนะี่ยมันไหลมากับน้ํา พอมันไหล ม, มากับน้ำตอนนี้คนก็เลยเออเอาขึ้นมามาที่ไหนได้โอ้เป็นไม้ที่มีคุณค่าเนี่ยเป็นปุ่มไม้จันทร์จากนั้นเศรษฐีก็ เ, เลยเอามาทำกลึงให้มันสวยงามไอจากนั้นก็เออมันกระส่งคุณค่าเนี่ยเพราะเปนไม้จันแดงทำเป็นบาทด้วย จากนั้นเศรษฐีก็เอาบาดใบนั้นขึ้นไปอยู่บนบนยอดไม้ไผ่หกสิบซอกนั้นแล้วก็ไม้ไผ่ตัวนี้ก็แปลว่าถ้าอย่างทุกวันนี้ก็คงจะเอามีดเลาะแล้วก็องค์กระดาษทรายขัดทั้งมาลักษณะอย่างงั้นแหละจากนั้นก็เอ า, เอายูนิเทนอะไรทาให้มันลื่นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอาแลากทาแล้วก็ไปปักหลักไว้ ในกลางแจ้งเศรษฐีเขาประกาศเลยถ้าว่าพระหันมีจริงผู้มีฤทธิ์มีเดชจริงในพื้นแผ่นดินเนี่ยหอเหาะเหินเดินฟ้าได้จริงมีอิทธิฤทธิรจริงให้มาเอาบาทบนยอดไม้ยนยอดไผ่ไอ้ยอดลำไผ่ที่ตั้งไว้เนี่ยสูงหกสิบศอกเนี่ย ข้าพระเจ้าจะนับถือเลื่อมใสผู้นั้นถ้าหากว่าไม่มีใครมาเอาได้บาดไม้จันแดงอยู่บนยอดไม้ภายน่ยข้าจะไม่นับถือใครทั้งหมดในแผ่นดิน เ, นเศรษฐีประกาศนะยุคสมัยนั้นก็นไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะจากนั้นก็คนทั้งหลายพวก เดละทีที่สมัยนั้นคนทั้งหลายก็เป็นครูทั้งหกไงครูทั้งหกคล้าๆกัเป็นศาสนากันอย่างทุกวันนี่ก็คงจะเป็นห้าศาสนาอย่างเมืองไทยของเราแต่ภาษไทยนั้นก็คงจะเข้มข้นกว่านี้แต่ละคณาจารย์ก็เข้าไปหาเศรษฐีอัตอนาอย่าให้ถึงกับได้ห่อเหินเดินฟ้าด เ, เอาลงมาให้ซะดีๆเศรษฐีเอ้ยไม่ได้ พอได้ตั้งได้พูดไปแล้วไปแก้ ก, ก่อมยังไงก็ไม่ยอมอ่าเพราะนั้นไม่มีลิธิใช่ไหมแต่ก็อยากจะได้แบบใช้ปัญญานกลิ้นสาริกาแก้ ก, ก่อมเอาได้ก็ใช้วาทแล้ะไรก็คงจะเอาให้เศรษฐีปลดตงมาให้ง่ายๆลักษณะอย่างนั้นแต่เศรษฐีเนี่ยไม่เอาแต่นี้พระอ่เป็นโทตรัตชะ ท่านอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำท่านก็มีอิอทธิฤทธิ์ใช่เหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ในพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ยบัญญัติวินัยวินัยบัญญัติยังไม่มีพระปิโทรทธรวัชชะท่านก็ทราบ้วยยาณวิถีของพระองค์พระอ ง, องค์ท่านเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายาน แท่านก็บอกเอเดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะว่าในโลกนี้ยังไม่มีอะไระเราควรจะไปเ อ, เอาบาดไปนั้นอพอวาดเท่านั้นท่านก็ออกจากถ้ำของท่านนะบินธบาทชันเสร็จแล้วท่านก็เหาะเลยพอเหาะเสร็จแล้วท่านเอาตีนของท่า น, นลองเท้าของท่านเนะี่ยหนีบหนีบก้อนหินก้นถึงบ้าใหญ่เหมือนกันะ เออเอาตีนหนีบก้อนขีบขีบก้อนหินเออท่านก็เหาะไปคนก็เห็นเห็นว่าท่านเอาตีนขีบก้อนหินเออคนทั้งหลายเห็นโอ้ยท่านอย่าให้มันหลุดลงมาเนี่ยก้อนหินนะใครมีกระป๋องมามีกระด้งเอาคอบหัวเอาไว้อ่างั้นเลยกลัวก้อนหินจะดุดจากเท้าพระปินโทธรวัชอท่านก็เดินเดินรอบ เหาะรอบบนเหาะบนอากาศหเหาะเวียนรอบอพอรอบสามครั้งนะท่านก็เหวี่ยงก้อนหินที่ท่านขีบมาในเท้าขนะองท่อนมากหลายวิ่งไปในอากาศต่ำตกลงที่เก่าพอตรงนี้นท่านก็นเลยลงมาท่านก็เอาจับอาบาตันไปคนทั้งหลายก็รู้เลยโอ้โห อันนี้ลูกศิษย์พระสัมมาเนรโคโดมพุทธเจ้าขนาดลูกศิษย์ถึงขนาดนี้อาจารย์จะเป็นขนาดไหนพระพุทธเจ้าจะขนาดไหน เ, เนี่ยดังระบบเถิดเถิงเลยรจนี่ยจากนั้นพระปินโทธ ร, รวัร ช, ช้าทา่านก็ลงมาจากเขาเข้ามาวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอเข้ามาท่านั้นแล้วลูกศิษย์ใหม่นี่กัที่ได้เห็นอิทธิฤทธิ์ท่านั้นแหละ เอโลกันเข้ามาสนันวันไหวนอพระพุทธองค์รู้ว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ใหม่ของพระปินโทรทารวัชชาเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีเข้ามากราบมาไหว้ปินโทรทารวัชชาเพราะท่านไปแสดงฤทธ์ไปเอาไม้จันท์บนยอดไม้ไผ่บนลำไม้ไผ่ที่เศรษฐีเขาตั้งเอาไวนะ้ พระพุทธองค์บอกอืมเอาเรียกปินโธมานีิพอปินโธก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วก็ประชุมสงเรียกประชุมสงพอระชมสงเสร็จแล้วพระุองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกสุใดก็าตามแสดงอิทธิฤทธิเหอเหินเดินฟ้าแสดงอิทธิฤทธิให้แก่กับใครฟังให้ใครดู ปรับอบัตรทุกกฎต่อ น, นี้ไปห้ามเด็ดขาดปรับเอาบัติทุกกฎแ ก, ก, ก่ผู้กระทำนั้นอันนี้ก็คือพระวินัยที่บัญญัติข่าวนั้นแต่ตามที่จริงถ้าพวกเราอย่างพุตุชนคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็งคงอยู่ทำไมจะไปห้ามท่าน น่าจะเชิดชูบูชาน่าจะอนี are, ่เป็นลูกศิษย์ของเราพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทําไมจึงบัญญัติบัญญัติวินัยห้ามไม่ให้แสดงฤทธิ์อย่างนั้นพระพุทธองค์มองยาวกว่านั้นอีกทีมองยาวกว่าพวกเราถ้าถ้ามองสั้นอย่างพวกเราก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่มองยาวกว่าพวกเราท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าองค์ไหนแสดงฤทธิ์ได้ คนทั้งหลายก็จะเฮโลไปเคารพนับถือเลื่อมใสองค์นั้นองค์ที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชก็ไม่อยู่ในหัวของเขาไม่อยู่ในสายตาของเขาแล้วพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในธรรมหลักธรรมวินยัยที่จะบำเพ็ญต่อไปภายภาคหน้าจะได้สําสเร็จพัคสําเร็จผลมีอีกอยู่ถ้าองค์นั้นพ่ออมพากันไปนับถือเลื่อมใสองค์นั้นหมดซะองค์เหล่านี้จะอยู่จะอยู่ยังไง จะมีอยู่มีฉันยังไงจะเป็นไปได้อย่างไรพอเขาไปเลื่อมใสนับถือองค์นั้นทั้งหมดเพราะนั้นองค์ใดก็ตามแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อย่างนั้นปรับอวบถูกกฎแก่องค์นั้นนี่ทันเฉลีย่ยนะเฉลี่อเผื่อแผ่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราฟังดูซิพระพองค์มองไม่เหมือนเรามองนะพวกเรามองจุดโตง่งเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ามองแบบเฉลื่อเผื่อแผ่นะ จากนั้นพวกเดรถีท้องนอกศาสนาเขาก็จับประเด็นนั่นน่ะออกมาโจมตีอีกเห็นไหมขนาดลูกศิษย์สั ม, มณะโครมพระพุทธเจ้าไ ป, ไปเอาบาตเหาเหินเดินฟ้าหดไปเอาบาดมาพระพุทธเจ้ายังตำหนินั่นน่ะพวกเราเนี่ยเห็นรู้แล้วว่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกพวกเราจรึงไม่ทำพวกเดรถีกหาทางออกเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ คนเรานะมันทิฏฐิมานะแต่ความเห็นนี่ไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธองค์ก็รู้ว่าพวกไดรัตถิเหล่านี้มันมันยังก้าวเล้าอย่างนั้นอยู่แต่นี้ก็พระพองค์ก็บอกว่าจากนี้ไปาสามเดือนแหนึ่งเดือนหลวงพ่อก็จำไม่ชัดเราตถาคตจะแสดงอิทธิฤทธิ์เท่นี่บอกเลยเทนี่พระพุทธองค์จะแสดงเองเท่นี่ เออตอนี้คนคนทั้งหลายพวกดเดลีทีอา้าวส ม, มณะโคโรมห้ามคนอื่นทําทําไมตัวเองจึงไปแสดงเองฮะพระพุทธองค์บอกให้พระพุทธองค์ให้เหตุผลว่าเหมือนกับมะม่วงมะม่วงอยู่ในสวนของเราแต่คนอื่นจะกินมะม่วงเราต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนแต่มะม่วงอยู่ในสวนเราเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงไม่จําเป็นจะต้องของอนุญาตจากใครเพราะเราเป็นเจ้าของมะม่วง นี่ก็เหมือนกันเราเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกเป็นต้นศาสดาต้นศาสนาเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องขออนุญาตจากลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์จะแสดงต้องขออนุญาตจากเราซะก่อนเพราะเราเป็นต้นศาสดาต้นศาสนาต้นพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาบวชกับเราเน่ยเหตุผลของผู้ใหญ่ใหญ่แต่เราจะแสดงอิทธิฤทธิ์จากนี้ไปจากนั้นก็ พอสงทางหลายทางพระโมกขลาตทั้งภาษาริบุตโอ้ข้าพระองค์ขอแสดงฤทธิ์แทนพระโมกขลาข้าบองค์จะขอแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ก็รับฟังรับฟังรับฟังไม่อนุญาตไ ม, ไม่อนุญาตสักคนพระองค์พระพุทธองค์ไม่ต้องเหนื่อยเนอกพวกข้าบองค์จะแสดงแทนพระพุทธองค์ก็ได้พระพุทธองค์ไม่ไม่รับพอถึงวันเวลาพระองค์ก็แสดงฤทธิ์จริงๆ แสดงฤทธิ์ขาวนั่นละเรืองลือไปทั่วในจักรวาลเลยพอแสดงเสร็จแสดงฤทธิ์เสร็จพระองค์ก็ขึ้นไปจาําพรรษาบนชั้นดาวดึงษ์ไปโปรดพระมารดาบนชาว ด, ดาวดึงษ์ถึงสมเดือนจากนั้นพระองค์จะได้เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรนาคร น, นี่แหนะละความเป็นมาของอิทธิฤทธิ์ก็ว่าอิทธิฤทธิ์ ต่อมาเขาบ่าอเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารคืออิทธิฤทธิอเทศนาปฏิหารคือดักใจทายใจอย่างพระโมกข์อย่างพระอนุรุทธะนี่ท่านรู้ ว, วรจิตของใครใครนึกเรื่องอะไรเนี่ยทักดักใจทายใจได้อันนี้ว่าอเทศนาปฏิหาร อนุสาสนีปฏิหารคือปฏิหาร เ, าเกี่ยวว่าอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสมีเหตุผลอย่างนี้พุทธศาสนามีคุณค่าอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้ อ, อย่างที่ศีลห้าที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราฟังศีลห้าเนีนะ่ยอย่าฆ่ากันนะอย่าขโมยกันนะอย่าประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นเขานะเขาเราเขาเราเข้าใจไหม เขาทำให้กับเราเราทุกข์ใจช้ำใจไม่สบายใจแต่เราอย่าไปคิดทำให้เขาถ้าคิดทำให้เขาเขาก็เหมือนกันกับเรานั่นะนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันฮ อ, อันนี้คือเรียกว่าออนุสาสเียปฏิหารนี่แหละปฏิหารในรังพุทธเจ้าพิยุษสามนะพวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานแต่คนโดยมากชอบอิทธิปฏิหารอย่างมาก อย่างทุกวันเชอบอิทธิ ป, ปฏิหารและก็อเทศนาปฏิหารอนุสาสนีเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะแต่ตามไม่จริงให้หลวงพ่อเลือกเนี่ยหลวงพ่อวันถ้าได้ทั้งสามก็ดีเหมือนกันนะหลวมพ่อว่านะถ้าให้หลวงพ่อเลือกหลวงพ่อก็ได้ทั้งสามก็ดีใครอยากจะฟังดูฤทธิ์เอาแสดงฤทธิ์ให้ดูแต่ก็ไม่แสฉแสดงประเจดิดประเจดิเจอดอย่างนั้นแหะ อแล้วก็ดักทายใจทายใจได้ก็ดีอพวกที่ดักใจทายใจได้เนี่ยทุกวันนี้เขาก็มีนกว่าภายกระชิปนะภายกระชิปมีมีเขาเลี้ยงผีไว้อ่ะทางจังหวัดเชียงใหม่มันมีนะ อ, อี๋ยวนี้อีสานก็มีทุกแห่งหนะ้นั่นมีเลยเลี้ยงเลี้ยงผีไว้ เ, เวลาคนมาอย่างนี้อมันเหมือนกับอะไรมีภายมีผีกระชิปในหูนะ่ะ เขาถามว่าเนะี่ยคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนั้นนะกระเป๋าซ้ายตอนนั้นกระเป๋าขวาตอนนี้นนะแล้วคุณมีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นะเออพายกระชิปจะบอกแคนนี้ก็บอกตามที่พายกระชิปที่หูนะนะั่นแะเออตรงทุกอย่างเลยเนจะโอ้โหเหมือนกับตาเห็นเลยเนะี่นี่แหละยอมรับแต่ให้ทายไปอนาคตไม่ได้นะเนี่หัวจะออกตัวไหน หมอดูะนหมอดูเนี่ยทายไม่ออกเลยภายกระชิบทายไปเนี่ยในอนาคตไม่ได้แต่ว่าอาเทศนาปฏิหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนอย่างที่พระที่เป็นอาจารย์ของพระยาธรรมสุกราช เข้ามาเห็นอายุ80ปีเอ้อาจารย์ของเราเนี่ยจะให้มาปราบมาอบรมพระอยู่ในเมืองเนี่ยจะสู้สู้เขาไหวหลืเนี่ยพระโมกขลีบุตรเนี่ะพระโมกคลิบุตนะร ต, ติดสะเทรนะเนท่านอายุ80ปีจะสู้กับเขาไหวหรือนั่งเฉย ๆ, ๆก็เอียงซ้ายเอียงขวาอยู่แล้ว ยาธรรมโสกราชถามว่าพระคุณท่านจะแสดงแสดงฤทธิ์อะไรให้โยมได้ชมสักอย่างได้ไหมได้นะแน่ตามไม่จริงแนะ่ผู้ที่จะประกาศพระศาสนาเนี่ยทานได้อย่างพระโมคคริบุตรติสเถระเนี่ยหลวงพอ่อพอได้ยินน่ซึ้งใจเลยไดนะ้พระองค์พระองค์จะดูอิทธิฤทธิ์เรื่องอะไร อยากจะดูแผ่นดินไหวไปเจ้าขาครับผมไหวเป็นที่แล้วไหวทั่วไปนะอันไหนที่น่าอัจฉรย์กว่าไหวทั้งแผ่นดินกับไหวไหวเป็นที่ครับผมไหวเป็นที่น่าอัจฉรย์กว่าครับผมถ้าอย่างนั้นก็อยากเอาไว้เป็นที่ครับผมเออปะให้พระองค์ไปอยู่ที่พนช้างนะ พอพระเจ้าทำรรมโศกราชไปยืนไปอยู่ที่ผลช้างเท่านั้นแหละพอเท่านั้นแหะแผ่นดินไหวจุดนั้นหลยประมาณช้างนี่โยกไปโยกมาเกือบช้างจะล้มเหมือนกันออบริเวณนั้นจากนั้นไปไปอยู่ในผลม้าผลมา ก, กับมะอีกเหมือนกันไปอยู่ในผลรบจนยอมรับว่าอูพระเถระท่านมีอิทธิฤทธิ์จริงะ จะมากราบท่านจะในวางแผนทาสังคายนาที่ในคราวนั้นที่พระสงค์สมัยเมื่อพยาธรรมสุกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ให้พวกเราพูดให้ฟังเนี่ยคือพวกเราให้ศึกษาเอาไว้ว่าพระพุทธองค์ยกย่อง อนุสาสนีปฏิหารมากกว่าปฏิหารทั้งสองอย่างเบื้องตน้นอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรทาอันนี้ควรอันนี้ควรคิดอันนี้ควรทาอันนี้ควรพูด ถ้าหาว่าถ้าคิดอย่างนี้จะเป็นบาปอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นจะเป็นบาปอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นจะเป็นบาปอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้จะเป็นบุญอย่างนั้นท่านพูดไว้หมดท่านนี่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป่ก็ว่าให้คิดใ ห, ให้ถูกให้เป็นธรรมอันนั้นมีแต่ความสาผัสุกมีแต่ความเจริญนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในยุคก่อนสมัยเก่าที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษามันมีคนสมัยนู้นกับสมัยนี้เนี่ยมีแนวคิดคล้ายกันแบบเดียวกันพูดง่ายๆทิฏฐิก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอารับพอ น, อนโมตนา